จากคำกล่าวเล่าขานสืบต่อกันมาเรื่องของเสือสมิงค่ะก็มักจะเป็นไปในลักษณะของตำนานหรือว่าเรื่องเล่าจากปากต่อปากซึ่งก็ปราศจากหลักฐานและก็พยานยืนยันอันแสดงข้อเท็จจริงทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเสือสมิงนี่มีจริงหรือไม่หรือว่าเป็นเรื่องที่เกิดจากจินตนาการล้วน สำหรับความสงสัยตรงนี้ขอพักไว้ก่อนนะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของความเป็นมาของเสือสมิงว่ามีที่ไปที่มาอย่างไรโดยเสือสมิงเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะประเภทแรกเป็นเสือจริงๆแต่ว่าถูกครอบงาจากอาถรรพ์ลึกลับที่เกี่ยวเนื่องกับจิตวิญญาณหรือว่าอํานาจของพูดผีปีศาจประเภทที่2ค่ะก็คือเสือสมิงที่เกิดจากพลังอํานาจของกฤติยาคมทางวิชาสยศาสตร์ ขอกล่าวถึงเสือสมิงประเภทแรกก่อนละกันเสือสมิงประเภทนี้เนี่ยก็คือเสือโคร่งค่ะหรือว่าเสือลายพาดกลอนซึ่งก็คือเป็นสัตว์กินเนื้อขนาดใหญ่ถือว่าเป็นสัตว์กินเนื้อที่ดุร้ายเลยทีเดียวแล้วก็มีตบะบารมีในตัวเนี่ยเหนือกว่าสัตว์ทั้งปวงเสือโคร่งที่กลายเป็นเสือสมิงนั้นก็เนื่องมาจากว่าเป็นเสือกินคนแล้วก็สังหารคนมาจานวนมาก กรณีที่วิญญาณของคนตายมาเกี่ยวพันกับเสือก็เปลนเพราะว่าที่สิ้นชีวิตจะเคี้ยวเล็บของเสือแต่ละคนเนี่ยก่อนมาพบถึงความตายจะต้องตกอยู่ในภาวะหวาดหวั่นพลั่นพึงสุดขีดมีความหวงแหนชีวิตตนเองอย่างถึงที่สุดค่ะเป็นการตายในขณะอารมณ์หวัดกลัวแล้วก็โกรธแค้นจนขาดสติผู้ที่ตายในภาวะของอารมณ์ที่เป็นเช่นนี้ก็จะกลายเป็นวิญญาณที่ร้อนรนแล้วก็ดุร้ายนะคะสําหรับผู้ตายที่ถูกเสือขบกัด ในพระพุทธศาสนาถือว่าหากไม่มีกรรมผูกพันกันมาแต่ชาติบางก่อนจะต้องมาพิฆาตเขยนฆ่ากันเช่นนี้ก็ต้องมีกรรมมาตัดรอนให้สิ้นชีวิตในลักษณะสยดสยองเช่นนี้ก็เป็นการตายก่อนสิ้นอายุขยวิญญาณก็เลยไปผุดไปเกิดเป็นอสุรกายซึ่งมีอารมณ์ของจิตเร่าร้อนด้วยโทสะแล้วก็ผูกพันอยู่กับเสือตัวนั้น วิญญาณก็จะวนเวียนติดตามเสือตัวดังกล่าวไม่ไปไหนและก็วิญญาณนี้เองค่ะที่บันดาลให้เกิดภาพมายาต่างๆเพื่อหลอกหลอนผู้อื่นการหลอกหลอนซึ่งกระทําโดยวิญญาณที่สิงสู่อยู่กับเสือจะเป็นไปด้วยเจตนาอันเนื่องกับอารมณ์โทสะที่ต้องการให้ผู้อื่นตายไปด้วยกันโดยหลอกล่อให้ผู้อื่นเนี่ยมาตกเป็นเหยื่อเสือด้วยการจําแรงภาพมายาลวงตาเช่นจําแรงเป็นคนรูจจ้จักจําแรงเป็นญาติมิตรลูกเมียของผู้ที่มีเจตนาหลอกหลอน พรานป่ารุ่นเก่าๆนะคะเขาก็กลัวเสือสมิงกันทั้งนั้นค่ะแล้วก็ได้สั่งสอนพรานรุ่นต่อๆมามาชั้นลูกมาชั้นหลานให้ระมัดระวังเสือสมิงจะมาหลอกล่อจนกลายเป็นเหยื่อโดยเฉพาะเวลาไปนั่งห้างบนต้นไม้ในป่ายามวิการหากว่ามีใครมาปรากฏตัวบนพื้นดินด้านล่างแล้วตะโกนให้ลงมาหาจงระแวงเอาไว้ก่อนว่าอาจเป็นเสือสมิงห้ามลงจากห้างโดยเด็ดขาด เพราะว่าถ้าหลงเชื่อป่ายปีนลงมาเพียงเพราะเห็นว่าคนที่เรียกอยู่ด้านล่างเนี่ยเป็นคนนะคะจะกลายเป็นเสือกระโจนเข้าขบกัดทันทีโดยเหตุนี้ค่ะข้อหนึ่งในวิชาพรานที่พรานป่าทุกคนจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดขณะขึ้นไปอยู่บนห้างกลางป่าลึกเวลากลางคืนก็คือห้ามลงจากห้างทุกกรณีแม้จะไม่มีอะไรที่บ่งบอกว่าผิดปกติก็ต้องห้ามลงเด็ดขาดนะคะ มีเรื่องเล่าค่ะว่ามีพรานหนุ่มสองคนนี้ชวนกันไปผูกห้างกลางป่าลึกริมห้วยเพื่อคอยดักยิงสัตว์เมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วทั้งสองคนก็ขึ้นไปอยู่บนห้างถึงเวลาดึกสงัดก็เห็นหญิงสาวคนหนึ่งนะคะเดินเข้ามาที่ใต้ห้างซึ่งอยู่สูงขึ้นไปบนต้นไม้ใหญ่ก็ปรากฏว่าหญิงสาวคนนั้นคือภรรยาของพรานหนุ่มหนึ่งในสองคนนั้นค่ะ ภรรยาของพรานเรียกคนที่เป็นสามีนี่ให้ลงมาหาโดยบอกว่าลูกคนเล็กเจ็บป่วยกระทานหันจึงได้ติดตามมาเพื่อขอให้สามีกลับไปดูแลลูกพรานหนุ่มที่เป็นสามีจะลงจากห้างมาหาภรรยาแต่ว่าเพื่อนได้ห้ามไว้แล้วก็ให้เหตุผลว่าภรรยาของเพื่อนจะตามมาถูกทางได้อย่างไรเพราะทั้งสองได้เข้ามาอยู่ในป่าที่ลึกมากแล้วก็ยิ่งเป็นเวลากลางคืนเช่นนี้ ย่อมตามมาไม่ถูกทางเป็นแน่โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งที่มาผูกห้างริมห้วยแห่งนี้ไม่มีใครรู้ดังนั้นภรรยาจะรู้และมาถูกทางก็ย่อมเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนแต่ว่าพรานหนุ่มไม่ฟังเหตุผลของเพื่อนค่ะเนื่องจากภรรยาตะโกนเรียกแล้วก็อ้อนวอนให้ลงมาไม่ขาดปากในที่สุดพรานผู้นั้นก็ตัดสินใจไต่ลงมาจากห้างโดยไม่ฟังคาห้ามปรามของเพื่อน พอลงมาถึงพื้นดินค่ะร่างของภรรยาก็หายวับไปกลายเป็นเสือโคร่งแทนที่เสือใหญ่ตัวนั้นกระโจนเข้าตะปบแล้วก็ลากพรานหนุ่มเคราะร้ายเข้าไปในแนวพุ่มพงรกทึบนะคะเพื่อนที่อยู่บนห้างจะยิงก็ไม่กล้าค่ะเนื่องจากกลัววิถีกระสุนจะพลาดไปโดนเพื่อนเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อฟ้าสางแล้ว เพื่อนพรานที่อยู่บนห้างนะคะก็รีบลงมาจากห้างตามรอยเลือดไปจนกระทั่งพบศพซึ่งถูกเสือกินหายไปครึ่งตัวค่ะจึงรีบเดินทางกลับหมู่บ้านเพื่อแจ้งเหตุร้ายให้กับครอบครัวผู้ตายได้รับรู้แล้วก็ระดมคนมานำศพกลับไปประกอบพิธีตามศาสนาประเพณีนี่คือเรื่องเล่าเสือสมิงจำแรงกายมาหลอกหลอนให้พรานเนี่ยลงจากห้างแล้วก็ฆ่ากินนะคะ เหตุนี้พรานรุ่นเก่าที่ชํานาญป่าก็เลยได้กําหนดข้อห้ามไม่ให้ลงจากห้างค่ะเพื่อที่จะป้องกันไว้ก่อนแล้วก็พร้อมกันนี้ก็แนะนําวิธีทดสอบว่าหากว่ามีคนเข้ามาหาขณะนั่งห้างตอนกลางคืนแล้วก็สงสัยว่าจะเป็นเสือสมิงหรือว่าคนจริงๆหากคนคนนั้นถือคบไฟมาด้วยให้เล็งปืนยิงไปที่เปเลวไฟนะคะถ้าเป็นคนธรรมดาจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นเสือสมิงค่ะ กระสุนจะทะลวงเข้าเบ้าตาพอดีเพราะคบไฟก็คือในตาของเสือนั่นเองในกรณีที่เสือสมิงจำแรงกายมาอาจเป็นคนรู้จักกันเป็นลูกเมียญาติพี่น้องหรือเป็นพระธุดงซึ่งไม่ได้ถือคบไฟมาด้วยให้โยนมีดลงไปและบอกให้หยิบมีดขึ้นมาถือถ้าหยิบมีดขึ้นมาถือก็พอเชื่อได้ว่าเป็นคนธรรมดาค่ะแต่ถ้าไม่ยอมหยิบมีดไม่ยอมถือมีดให้เห็นหนะนั่นคือเสือสมิงแน่นอน เพราะว่าเสือไม่มีนิ้วจ ะ, จะใช้หยิบใช้ถืออะไรได้คราวนี้มีลูกปืนเท่าไหร่กระนํายิงใส่เขาได้ทันทีเสือสมิงประเภทแรกนี้เป็นเสือสมิงที่มีวิญญาณผีตายโหงเข้ามาแฝงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยส่วนเสือสมิงประเภทที่สองเนี่ยเกิดจากวิชาอาคมทางไสยศาสตร์อีกแขนงหนึ่งซึ่งผู้ที่เรียนวิชานี้จนสาเร็จเจนจบ สามารถจำแลงแปลงกายเป็นเสือหรือว่าเป็นสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งได้ซึ่งวิชาไสยศาสตร์เช่นนี้จะสำเร็จได้ด้วยการฝึกสมาธิกระทั่งมีจิตอำนาจนะคะแต่ก็เป็นสมาธิในทางที่ผิดค่ะเรียกว่าเป็นมิจฉาสมาธิพระพุทธเจ้าท่านเองก็ไม่ยกย่องและสนับสนุนวิชาจำแรงแปลงกายเป็นเสือสมิงทางภาคเหนือเรียกว่าวิชาเสือเย็นผู้ที่สำเร็จวิชานี้จะต้องฝึกจำแรงกายบ่อยๆ แต่ก็มีข้อห้ามกำกับเอาไว้เหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังว่าขณะใช้วิชาจำแรงกายกระทั่งอัตภาพเปลี่ยนแปลงสภาวะกลายเป็นเสือจะไปทำลายชีวิตผู้อื่นไม่ได้หากละเมิดข้อห้ามจะไม่สามารถกลับคืนมาเป็นมนุษย์ได้อีกค่ะต้องกลายเป็นเสือไปตลอดชีวิตคนจำแรงแปลงกายเป็นเสือได้หรือไม่เป็นเรื่องที่ไม่อาจชี้ชัดลงไปได้เพราะว่าตามทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้ทุกกรณีค่ะ แต่ว่าทางคณิศยศาสตร์ยืนยันค่ะว่าเป็นไปได้ด้วยอาถรรพ์ของกริยาคมและพลังจิตซึ่งความคิดเห็นสองแนวทางนี้แยกออกเป็นเส้นขนานไม่สามารถนำมาผสมผสานกันได้ แต่ก็มีเรื่องเหลือเชื่ออื่นๆนะคะที่เกี่ยวกับเสือสมิงและก็วิชาสยาสัจจำแรงกายเป็นเสือหรือว่าเป็นสัตว์อื่นๆไม่ใช่เป็นเรื่องเหลวไหลไร้หลักฐานอ้างอิงเอาซะเลยซึ่งณที่นี้ค่ะบีจะขอนำประสบการณ์ของบุคคลหลายท่านที่เคยเผชิญกับภาวะอันเหลือเชื่อด้วยตัวของท่านเองมาแล้ว บุคคลแรกก็คือเจ้าเพชรชราชอดีตอุปราชแห่งราชอาณาจักรลาวเป็นพระอนุชาต่างพระมารดาของพระเจ้าสีสว่างวงวัฒนาพระมหากษัตริย์ของประเทศลาวในอดีตเจ้าเพชรราชเนี่ยเสด็จลี้ภัยการเมืองมาอยู่ในประเทศไทยค่ะเจ้านายเชื้อพระวง์พระองค์นี้โปรดปรานการเที่ยวป่าล่าสัตว์เป็นอย่างยิ่งป่าดิบดงลึกในประเทศไทยแทบจะทุกป่าเจ้าเพชรราชเนี่ยเสด็จไปเที่ยวแล้วก็ล่าสัตว์มาแล้วจนปลุก ป, ปงค่ะ มีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะเจ้าเพชรชราศรีเดชไปท่องป่าแถบจังหวัดตากขณะออกไปซุ่มยิงสัตว์เจ้าเพชรราชเนี่ยเห็นหมูป่าโทนตัวหนึง่งกําลังขุดหาดอกไม้กินพระองค์ก็เลยยิงหมูป่าโทนตัวนั้นแต่ว่ากระสุนไม่ถูกที่สําคัญหมูป่าก็เลยไม่ตายค่ะที่มันก็เลยวิ่งตะเตลดิดหนีไปได้เจ้าเพชรชราชกับพรานคนสนิทก็เลยตามรอยเลือดไปเพื่อที่จะยิงซ้ํา รอยเลือดที่หยดเรียราาเป็นระยะนําทางไปจนถึงไร่ข้าวโพดเล็กๆแห่งหนึ่งกลางไร่ก็มีเรือนหลังหนึ่งปลูกอยู่ที่ตั้งของไร่นี้อยู่กลางป่าลึกห่างจากหมู่บ้านชุมชนอื่นๆนะคะรอยเลือดของหมูป่าตัดผ่านกลางไร่ข้าวโพดตรงไปยังเรือนหลังนี้ที่น่าประหลาดก็คือมีรอยเลือดบนบันไดที่ทอดขึ้นไปบนเรือนแสดงว่าหมูป่าโทนที่ถูกยิงบาดเจ็บเนี่ยตะเกียกตะกายไต่บันไดขึ้นไป เจ้าเพชรชราดก็เลยรู้สึกงุนงงสงสัยที่เห็นร่องรอยซึ่งไม่น่าว่าจะเป็นไปได้เช่นนั้นนะคะพระองค์กับพรานก็เลยขึ้นไปบนเรือนสับปะรังเคหลังนั้นในห้องลงโล่งบนเรือนเจ้าเพชรราดนี่ก็พบกับชายวัยกลางคนนอนหงายอยู่บนเสื่อเก่าๆชายคนนั้นคงสิ้นชีวิตไปได้ไม่นานนี้เองซึ่งตรงสีข้างด้านซ้ายใกล้กันกับตำแหน่งหัวใจมีบาดแผลถูกยิงเลือดไหลนองส่งกลิ่นคาวคลุ้ง ตำแหน่งของบาดแผลตรงกับตำแหน่งที่หมูป่าถูกยิงเจ้าเพชรราชแล้วก็พรานเนี่ยก็ได้แต่ตื่นตะลึงแล้วก็งุนงงที่มาเห็นชายชาวบ้านป่าร่างกายผอมเกรง็งนอนตายในลักษณะถูกประทุษร้ายด้วยอาวุธปืนและเมื่อเข้าไปตรวจดูบาดแผลอย่างละเอียดนะคะก็พบว่ากระสุนที่ดับชีวิตชายลึกลับคนนี้เนี่ยเป็นกระสุนทรงอนุภาพในการสังหารไม่ใช่กระสุนจากปืนของชาวพื้นบ้านซึ่งร้อยทั้งร้อยเป็นปืนแก๊ป กระสุนเป็นลูกตะกัวทาเองปริศนาที่ขบคิดกันไม่ออกก็คือใครเป็นคนฆ่าชายผู้นี้หากจะคาดเดาว่าศัตรูของชายชาวป่าคนนี้เป็นคนพื้นบ้านละแวกใกล้เคียงอาวุธปืนที่ใช้ยิงก็ต้องเป็นปืนคุณภาพต่ำประเภททาเองไม่ใช่ปืนสมัยใหม่สั่งมาจากต่างประเทศแต่ที่เขาตายเห็นกันชัดเจนว่าถูกยิงจากปืนประเภทไรเฟิลเพราะฉะนั้นจึงเป็นปัญหาค่ะว่าใครเป็นมือสังหาร ที่หน้าพิศวงอย่างยิ่งก็คือบาดแผลตรงสีข้างด้านซ้ายเป็นตำแหน่งเดียวกันกันกบที่เจ้าเพชรราชเนี่ยยิงหมูป่าเข้าซ่อขาหน้าด้านซ้ายเหมือนกันทั้งรอยเลือดซึ่งเจ้าเพชรราชแล้วก็พรานตามรอยมาจากจุดที่หมูป่าถูกยิงก็ตรงแนวมาอย่างเรือนสับประรังเคหลังนี้นะคะแล้วก็รอยเลือดเนี่ยไม่ได้เบี่ยงเบนไปทางอื่นจนกระทั่งมาสิ้นสุดอยู่ที่เรือนหลังนี้เช่นกัน สำหรับเรื่องของเสือสมิงประเภทคนสามารถจำแลงแปลงกายเป็นสัตว์ร้ายก็คือเสือโครง่งเคยมีพระเทระองค์สำคัญในพระพุทธศาสนานะคะเคยเผชิญมาแล้วหลายรูปหลายองค์ดังเช่นครูบาธรรมชัยที่วัดทุ่งหลวงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ครูบาธรรมชัยนะับเป็นพระอริยสงฆ์แห่งหนึ่งทางภาคเหนือจากอัตราประวัติของท่านได้ระบุชี้ชัดไว้ว่าขณะอยู่ในวัยเยาว์ท่านมีความฝักใฝ่ในทางธรรมอย่างชัดเจนประกอบกับโยมบิดามารดาดำรงตนตั้งมั่นอยู่ในศีลและธรรมเป็นแบบอย่างตั้งแต่จำความได้นะคะ เหตุนี้ครูบาธรรมชัยก็เลยมีความปรารถนาต้องการจะเข้ามาอยู่ในร่มเงาของบวรพรุทธศาสนาอย่างแน่แน่จนเมื่อเรียนจบชั้นประถมะศึกษาปีที่3ซึ่งอายุตอนนั้นได้15ปีได้รบเร้าอ้อนวอนโยมบิดามันดาโดยขอบรรพชาเป็นสา ม, มเณรค่ะโยมบิดาก็เลยนำตัวไปฝากเป็นสิทธวัดสันป่าศัก ขัดเล่าเรียนเขียนอ่านอักะรเมืองเหนือแล้วก็ท่องบทสวดมนต์บทขอบวทสัมมนเนร<ท>อยู่3 <ม>เดือนค่ะจึงได้เข้าพิธีบรรพชาเป็นสัมมนเนรเมื่อวันที่15มีนาค ม, มพุทธศักราช2470นะคะเจ้าอธิการคำมูลทรรมวังโศเป็นพระอุปชาจำพรรษาที่วัดแม่ศาลบ้านตองอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งพระอุปชาเป็นเจ้าอาวาสอยู่ค่ะ เมื่อบวชเป็นสา ม, มเณรแล้วครูบาธรรมชัยเนี่ยมีความสนใจในการปฏิบัติธรรมกรรมฐานอย่างยิ่งพยายามปฏิบัติภาวนาเจริญสมาธิอย่างสม่ำเสมอขณะเดียวกันก็รุ่นกิจต้องการออกไปจาริกธุดงตามสถานที่วิเวกห่างไกลผู้คนพลุกพ่านด้วยนึกถึงแบบอย่างครูบาอาจารย์ซึ่งยึดถือเอาการบำเพ็ญเพียรแสวงหาโมกะธรรมอันวิเศษตามป่าเขาเพียงลาพัง หลังจากบวชเป็นสัมมนเนนได้หนึ่งพันษาค่ะก็เลยตัดสินใจจะออกจาฤทธุดงเพื่อปฏิบัติธรรมกระทำความเพียรเพียงรูปเดียวเมื่อไปกราบลาขออนุญาตท่านเจ้าอธิการคำมูลอุปชาก็ตกใจค่ะเนื่องจากเห็นว่าเป็นเนนน้อยอายุยังอ่อนพรรษานักการจะไปออกทุดงตามป่าเขาลำพางอาจเป็นอันตรายได้ทุกเมื่อท่านก็เลยห้ามปรามไว แต่ว่าครูบาธรรมชัยขณะเป็นเนเนเนี่ยมีความมุ่งมั่นไม่กลอนแคลนพยายามอ้อนวอนขอให้อุปชาอาจารย์อนุญาตให้ตนออกธุดงเพื่อบำเพ็ญธรรมตามความศรัทธาค่ะเจ้าอธิการคํามูลก็เห็นว่าคงทัดทานเอาไว้ไม่ได้ก็เลยต้องเอ่ยปากขออนุญาตและได้สั่งสอนแนวทางธุดงคาวัดตลอดจนการปฏิบัติตนบำเพ็ญเพียรธรรมเพียงรูปเดียวด้วยความเมตตาครูบาธรรมชัยก็น้อมรับคําสั่งสอนนั้น เมื่อนำมัสการกราบลาพระอุปชาแล้วนะคะครูบาธรรมชัยก็ออกจากวัดแม่สารบ้านตองโดยมีบริขารแค่ผ้าเสาวพัสแล้วก็บาทเท่านั้นส่วนมุ้งกรดเนี่ยไม่มีเนื่องจากว่าไม่ได้จัดเตรียมเอาไว้แต่คิดว่าการไม่มีมุ้งกรดคงไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะตั้งใจจะอาศัยรุกขมูลพักใต้ร่มไม้ใบบาง เพื่อป้องกันน้ำค้างอย่างวิกาลส่วนเหลือบยุงริ้นไรที่มารบกวนตั้งใจว่าจะใช้ความอดทนเข้าสู้คงไม่หนักหนาสาหัสกระไรนะักครั้นออกจากวัดแล้วก็บ่ายหน้าเข้าสู่ป่าเขาแนวไพรค่ะจิตใจก็รู้สึกเบิกบานรื่นรมต่อความสงัดเงียบของธรรมชาติที่ห่างไกลความพลุกพล่านของผู้คนยิ่งพาตัวเองออกห่างความวุ่นวายทางโลกไกลเท่าไหร่สามเณรครูบาธรรมชัยก็ยิ่งปลอดโปร่งเท่านั้นนะคะ ความรู้สึกหวาดกลัวที่อาจจ ะ, ะเผชิญอันตรายใดๆก็ไม่ปรากฏในจิตใจค่ะกลับฮึกเหิมพร้อมที่จะฝ่าฟันอันตรายโดยไม่คร้นครามเดินผ่านท้องทุ่งท้องนากว้างใหญ่จนพ้นเขตทำกินของผู้คนก็เข้าสู่เขตชายป่าที่มีชื่อว่าห้วยดิบค่ะขณะกำลังเดินเข้าสู่ป่าห้วยดิบก็ได้สวนทางกับชายวัยกลางคนผู้หนึ่งชายผู้นั้นนมัสการแล้วก็ถามว่าท่านจะไปที่ใดเนรก็ตอบว่าจะเข้าไปปฏิบัติธรรมในป่าห้วยดิบ พอได้ยินว่าสัมมะเนนจะเข้าไปปฏิบัติธรรมในป่าห้วยดิบนะคะชายคนดังกล่าวก็แสดงความตกใจค่ะรีบห้ามเนนไว้แล้วก็เล่าให้ฟังว่าขณะนี้เนี่ยมีเสือสมิงตัวหนึ่งออกอรารวาดไปทั่วชายป่าแถบนี้ว่ากันว่าเสือสมิงตัวนี้เนี่ยเป็นเสืออันเกิดจากวิชาอาคม โดยมีพระภิกษุหรือวัตุเจ้ารูปหนึ่งนะะที่มีวิชาอาคมทางไสยศาสตร์แก่กล้าได้ศึกษาวิชาเสือเย็นจนสําเร็จแล้วก็ได้จําแรงแปลงกายเป็นเสือโคร่งตัวใหญ่เกือบเท่าควายหนุ่มแต่ว่าจะด้วยอาเพศหรือว่าอาถรรพ์หรือบาปกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ทราบได้เมื่อแปลงตัวเป็นเสือไปแล้วค่ะก็ได้ไปฆ่าวัวฆ่าควายของชาวบ้านกินต่อมายังฆ่าพวกที่เข้าป่าไปหาของป่าอีกหลายคนทําให้เกิดความหวาดกลัวสําหรับคนในพื้นที่แถบนี้ ชายวัยกลางคนได้ขอร้องเพื่อที่จะไม่ให้สัมณเนนครูบาธรรมชัยเข้าไปในป่าเนื่องจากอาจจะเกิดอันตรายเพราะว่าเสือเย็นตัวนี้ได้ทุกเมื่อนะคะสัมณเนนก็รับฟังเรื่องน่ากลัวจากผู้หวังดีโดยม่ได้รู้สึกหวาดหวัน่นแต่อย่างไดค่ะแม้จะมีวัยอายุยังน้อยแต่ก็ตรรกะดีนะคะว่ามนุษย์ทุกรูปทุกนามย่อมมีวาระสุดท้ายอยู่ที่ความตายด้วยกันทั้งสิน้นจะตายอย่างไรตายเมื่อไหร่ย่อมแล้วแต่กรรมของตนหากเข้าไปในป่าแล้วถูกเสือเย็น เป็นปลิดชีวิตนั่นก็หมายถึงว่าจะต้องมาตายในสภาพเช่นนั้นจะหลบเลี่ยงเบี่ยงเบนแค่ไหนก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ค่ะอีกประการหนึ่งนะคะเจตนาการเข้าไปในป่าไม่ใช่ไปเพื่อเบียดเบียนหรือทำร้ายผู้หนึ่งผู้ใดาหากต้องการไปอยู่ในสถานที่อันวิเวกหวังจะให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติภาวนาจเจริญสมาธิเป็นการปฏิบัติธรรมกระทาความเพียรตามคาสอนของอ ง, องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หากการมุ่งบำเพ็ญธรรมเพื่อหวังจะหลุดพ้นจากกองกิเลสเป็นการนำตัวเองไปสู่ห้วงแห่งความตายสา ม, มเณนก็พร้อมที่จะยอมพลีชีวิตให้ได้ครูบาํรรมชัยได้อธิบายถึงจุดประสงค์ที่ท่านจะเข้าไปเจริญภาวนาในป่าห้วยดิบแก่ชายผู้หวังดีคนนั้นทำให้ชายวัยกลางคนก็รู้สึกเลื่อมใสศรัทธาเนนน้อยเป็นอย่างยิ่งจากนั้นนะคะเนนก็แยกทางมุ่งหน้าเข้าป่าต่อไปเข้าไปในป่าลึกพอสมควรค่ะ เมื่อพบทำเลอันเหมาะสมที่จะพักเพื่อปฏิบัติภาวนาเนนก็เลยเลือกเอาตรงคนต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเป็นที่พักไม่ไกลจากสถานที่นั้นก็มีลำห้วยเล็กๆมีน้ำไหลใสสะอาดพอที่จะใช้เป็นน้ำฉันแล้วก็น้ำส่งได้นับเป็นสถานที่สปายะน่าพอใจ ครูบาธรรมชัยขณะเป็นเนนหนุ่มน้อยรุกขมูลอยู่ที่ใต้ต้นไม้ดังกล่าวตั้งแต่ต้นเดินสมาธิสลับกับเดินจงกรมตั้งแต่บ่ายเรื่อยไปจนเย็นย่ำค่ะหลังจากไปส่งน้ำที่ห้วยเสร็จแล้วก็กลับมากระทําความเพียรต่อโดยพิจารณาสติปัฏฐานสี่เป็นแนวทางปฏิบัติป่าดงพงพรายเงียบสงัดทาให้จิตรวมสู่สมาธิเป็นอย่างดีจนเวลาผ่านไปค่อนคืนดึกดื่น สมณเณรก็เลยถอนจิตออกจากสมาธิแล้วก็งีบหลับพักผ่อนตราบฟ้าสางตื่นขึ้นมาพอมองเห็นลายมือก็ห่มครองจีวรรัดกุมอุ้มบาทเดินออกจากป่าไปสู่หมู่บ้านที่อยู่ติดกับชายดงเพื่อพิกขาจานมาหล่อเลี้ยงสังขารขันไปถึงหมู่บ้านก็มีชาวบ้านใส่บาตรด้วยความศรัทธาพอสมควรค่ะจึงได้กลับคืนสู่ ร, ร่มไม้ที่พักดังเดิม ขณะกาลังกระทำพัตรกิจนะฮะหรือว่าการฉันอาหารค่ะด้วยอาการสำรวมสัมมาเนนก็รู้สึกว่าแผ่นดินที่นั่งทับอยู่นั้นเป็นหลุมโบลงไปผิดปกติหลังจากฉันเสร็จเรียบร้อยท่านก็ลุกขึ้นมาดูพื้นดินที่นั่งตรงเมื่อครู่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นรอยเท้าเสือขนาดใหญ่เหยียบเอาไว้ตรงนั้นเป็นดินอ่อนปรากฏรอยค่อนข้างชัด นอกจากนี้ก็ยังมีรอยเสือตัวเดียวกันเหยียบเอาไว้ทั่วบริเวณแสดงว่าขณะที่ท่านเดินไปบิทาบาต ท, ที่หมู่บ้านเสือตัวนี้ได้มาป้านเปีเป้ยนที่คนต้นไม้แห่งนี้แล้วและไม่รู้ว่ายังแอบซุ่มอยู่ใกล้ๆหรือเปล่าเมื่อรู้ว่ามีเสือมาเยือนที่ปฏิบัติภาวนาค่ะพลันก็เกิดขนลุกสู้เกรียวด้วยอารมณ์หวาดกลัวพุ่งขึ้นมาโดยไม่ทันตั้งสติความตั้งใจแต่แรกที่มุ่งมั่นไม่หวั่นเกรงพรั่นพึงต่อความตาย ต่อให้เสือร้ายเข้ามาขบขย่ำก็ไม่หวั่นไหวการกลัวก็หายไปหมดสิน้นแต่ว่าพอมาเจอของจริงเข้าค่ะมีเสือมาป้วนเปี้ยนถึงที่พักและเป็นที่แน่นอนว่าเมื่อพระอาทิตย์รับฟ้าเมื่อไหร่เสือจะต้องมาที่นี่อีกครั้งอย่างไม่ต้องสงสัยพระมันรู้แล้วว่ามีมนุษย์อยู่ที่นี่ความกลัวก็เกิดขึ้นสุดที่จะระงับเอาไว้ได้ ยิ่งคิดไปถึงคาเตือนของชาวบ้านวัยกลางคนที่มาเล่าเรื่องเสือเย็นหรือว่าเสือสมิงให้ฟังนะคะเนนน้อยก็ยิ่งหวั่นไหวเพราะถ้าเป็นเสือสมิงจริงซึ่งเคยฆ่าสัตว์และก็สังหารผ่านชีวิตมนุษย์มาแล้วหากมันมาเห็นเนนอยู่ในที่โล่งไร้ที่มุงบงังเห็นทีจะลงมือสังหารด้วยเขี้ยวเล็บทันทีที่เนนมั่นใจว่าตัวเองไม่กลัวตายครั้นถึงขณะนี้กลับไม่เป็นอย่างนั้นซะแล้วค่ะพอเห็นรอยเสือเข้า ก็ไม่รู้ว่าความกลัวมันมาจากไหนก็ยืนตัวสั่นใจสั่นคิดว่าถ้าเจ้าของรอยเท้ามาปรากฏตัวต่อหน้ามันคงโดดเข้ามาขย่ำกินเป็นแน่อารมณ์ความกลัวถาถมเข้ามาครอบงําจิตอยู่ครู่หนึ่งแต่ว่าเมื่อได้สตินีคะว่าตัวเองกําลังกลัวเสือซึ่งแท้ที่จริงแล้วก็คือความตายนั่นเองทําให้เนม น, นึกอดขำไม่ได้เพราะว่าก่อนที่จะมาพบรอยเสือเข้าเนี่ย จิตมันคุยโวโอโ อ, อวดว่าไม่กลัวความตายยินยอมพร้อมใจที่จะตายทุกเมื่อโดยไม่หวั่นไหวแต่ทท้ที่จริงแล้วค่ะจิตมันก็ยังขาดเขลาวหวาดกลัวความตายกลัวการพลดัพลดพรากไปจากโลกนี้อยู่นั่นเองเนนก็ยืนพิจารณาความจริงของการมีชีวิตซึ่งเป็นอนัตตาเป็นสัจธรรมร่างกายก็ประกอบไปด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารและจิตวิญญาณ ร่างกายนี้ไม่สามารถตั้งอยู่คงที่ตลอดการเมื่อเจริญเต็มที่แล้วก็เริ่มเสื่อมเพื่อที่จะจบสิน้นที่ความตายเหมือนกันหมดที่ตนเองดันด้นเข้ามาในป่าเขาเพียงลําพังก็หวังขัดเกลาเกิเลตให้หมดสิ้นไปเพื่อจะได้พ้นทุกข์ในกายสังขารนี้เป็นสําคัญตั้งใจจะสิ้นพบสิ้นชาติแต่เพียงชาตินี้ไม่เวียนว่ายตายเกิดมาอยู่ในกองทุกข์อีกต่อไปแต่พอมาเจอรอยเท้าเสือเข้าเท่านั้นกลับเกิดความรักตัวกลัวตายอย่างไร้สติเมื่อคิดขึ้นมาได้เช่นนี้ สติก็สามารถควบคุมจิตได้ค่ะความกลัวเสือความกลัวความตายก็หายไปทันทีจิตก็เกิดความองอาจกล้าหาญสลายความหวัดบ่นพรั่นพึงไปจนหมดสินสมม้นสมมะเนนหรือว่าครูบาธรรมชัยก็จเจริญสมาธิเนิ่นนานเลยนะคะจนจวบล่วงเวลาไปถึงวระช่วงเย็นแดดอ่อนแสงสา์จับยอดไม้เนนก็คลายออกจากสมาธิจิตใจปลอดโ ป, ปร่งปราศจากความวิตกกังวลใดๆ เมื่อเห็นว่าเป็นเวลาอันเหมาะสมจึงได้เตรียมตัวไปส่งน้ำที่ลำห้วยเพื่อชำระล้างร่างกายค่ะก็เดินออกจากร่มมาที่พักตรงไปยังลำห้วยซึ่งอยู่ไม่ไกลนักพอเดินพ้นพุ่มไม้ดกหนาออกไปเต็มตัวก็พบกับภาพที่ไม่คาดฝันว่าจะได้พบเห็นนั่นคือที่ริมห้วยมีเสือโครง่งตัวมะฮือมากำลังก้มหน้ากินน้ำอยู่ทันทีที่เนนปรากฏเสือตัวใหญ่ก็หันขวับกลับมาสามเนรตกตะลึงจัง ง, งังและเสือก็คงตะลึงเช่นกันค่ะ เสือใหญ่เจ้าป่าย่อตัวลงในกริยาเตรียมตัวจู่โจมเข้าตะปบพลังส่งเสียงครางกระหึ่มตบะบารมีของสัตว์ร้ายกินคนกดดันบีบคั้นจนสติของสัมมเนนไม่อาจจะควบคุมได้ความรักตัวกลัวตายซึ่งเพิ่งสลายไปก็หวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งวิบตานั้นค่ะเสือใหญ่ก็แผดเสียงสนั่นแล้วก็กระโจนพรวดเข้าไปตะปบด้วยความตกใจสุดขีดเนนพะงะถอยหลัง บังเอิญมีรากไม้ขวางอยู่จึงสะดุดรากไม้ล้มไห่หลังลงร่างของเสือก็ลอยและลี้วผ่านไปอย่างวุ่นวิตนะคะพอถึงพื้นก็กระจนแผลวเข้าป่าหายไปสา ม, มเณนหรือว่าครูบาธรรมชัยยังคงนอนตัวสั่นเทาด้วยความกลัวสุดขีดคิดว่าตัวเองคงเป็นเหยื่อให้เสือกัดกินเป็นแน่แต่เสือก็หายเงียบไป นอนอยู่ท่าเดิมพักใหญ่จึงได้สติลุกขึ้นนั่งพิจารณาจิตของตัวเองก็เกิดความละอายใจเพราะว่าแท้ที่จริงแล้วจิตของตนยังถูกความหวาดกลัวครอบงำอยู่การที่จิตอ่อนไหวยอมให้มีอารมณ์มีอำนาจเหนือกว่าก็เพราะขาดสติที่มั่นคงเมื่อขาดสติปัญญาก็พลอยมืดไปด้วยนะคะเมื่อพิจารณาได้เช่นนี้สัมมาเอ็จึงตัดสินใจจะตามหาเสือตัวนั้นอีกครั้งเมื่อจิตมันยังหวาดหวั่นกับกิเลสอยู่ก็จะยอมให้เสือฉีกเนื้อกินรู้แล้วรู้รอดไป สาเนรก็เลยตัดสินใจค่ะยอมถวายชีวิตให้แก่เสือคิดว่าแค่กิเลสความกลัวเท่านั้นที่ยังตัดไม่ขาดแล้วจะไปตัดกิเลสใหญ่หลวงที่ครอบงำชีวิตอยู่ได้อย่างไรเมื่อคิดเช่นนี้สามเนนก็เดินดุ่มเป็นฝ่ายตามหาเสือซะเองไม่รอช้าให้เสือมาตามล่าเอาชีวิตรอยเท้าของเสือมองเห็นชัดเจนเป็นระยะ รอยนั้นมุ่งตรงไปยังต้นไม้ใหญ่ซึ่งเนนยึดเป็นที่พักปฏิบัติธรรมภาวนาคล้ายกับว่าเสือตัวนั้นก็ย้อนไปดักรอคอยเพื่อหาโอกาสสังหารเนสมมนสมเณรหรือครูบาธรรมชัยนะคะในขณะนั้นจิตใจมั่นคงค่ะอาจจะไม่กลัวตายแม้จะเห็นร่องรอยของเสือร้ายบ่ายหน้าไปยังที่พักของตนแต่ทว่าความสะดุ้งกลัวก็ไม่เกิดขึ้นก็ยังคงสาวเท้าก้าวเดินไปยังต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีบริหารวางอยู่ เมื่อเข้าไปใกล้มองไปข้างหน้าแทนที่จะเห็นเสือใหญ่รอคอยกลับเห็นพระธุดงรูปหนึ่งค่ะนั่งสงบอยู่ตรงคนต้นไม้พระธุดงรูปนี้เนี่ยมีไยกลางคนผิวคล้ำเตรียมแต่ว่ามีสง่าราศีเปล่งปลั่งหน้าเลื่อมใสเนนเดินเข้าไปใกล้พอสมควรก็หยุดสุดตัวลงนั่งนมัสการอย่างนอบน้อมกาลังเดินตามหาเสือจะให้เสือมันกินหรือเนน คำพูดทักทายของพระธุดงก็ทำเอาเนนถึงกับสะดุ้งค่ะเพราะว่าประเด็นว่าท่านเนี่ยรู้วาระจิตโดยตลอดเนนไม่ตอบคําพูดกึ่งคําถามนั้นหากย้อนถามท่านไปเนี่ยบอกว่าพระคุณเจ้าเคยพบเห็นเสือตัวใหญ่ตัวหนึ่งบ้างไหมครับเห็นหรือไม่เห็นก็ไม่ได้มีความหมายหรือมีความสําคัญอะไรใจของเราสําคัญกว่าสิ่งอื่นภายนอกหากใจเราสะอาดบริรสุทธิ์มีศีลมีสมาธิปัญญาก็เต็มภูมิแล้วเสือสิงหรือสัตว์ใดๆ ก็ไม่เข้ามาข้องแวะและประสงค์ร้ายเนนก็เลยถามท่านต่อไปอีกบอกว่าท่านนี่ไม่ชื่อว่าอะไรจำพรรษาอยู่วัดไหนแต่พระธุดงรูปนั้นไม่ตอบคําถามค่ะท่านบอกแต่เพียงว่าเป็นพระธุดงจาริกไปเรื่อยๆเพื่อปฏิบัติธรรมพร้อมกันนั้นท่านก็ได้แนะนําข้อทําให้เนนหลายข้อรวมทั้งแนวทางการปฏิบัติภาวนาแล้วก็เดินจงกรมที่ถูกวิธีเพิ่มเติมให้และที่สําคัญค่ะพระธุดงลึกลับเมตตาแนะนําก็คือ การปฏิบัติธรรมกระทำความเพียร น, นั้นควรจะมีครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนเมื่อใดที่เกิดขัดข้องในข้อธรรมข้อนั้นครูบาอาจารย์จะได้ช่วยแนะนำแก้ไขให้เข้าใจชัดเจนท่านยังแนะนำเพิ่มเติมอีกค่ะว่าควรไปกราบไหว้ขอฝากตัวเป็นสิทธิ์ท่านครูบาศรีวิชัยมหาเถระผู้ยิ่งใหญ่แห่งล้านนาเถิดเนนก็ก้มกราบรับเอาคาชี้แนะทั้งหลายไว้ด้วยความเคารพ จากนั้นนะคะพระธุดงลึกลับก็จากไปอย่างเงียบๆโดยไม่รู้ว่าท่านไปต่อที่ใดอีกค่ะพระธุดงรูปนี้จะเป็นเสือสมิงหรือเสือเย็นใช่หรือไม่เป็นเรื่องที่ยากจะระบุชัดนะคะแต่ก็มีเหตุผลที่พอจะบ่งชี้ให้น่าสงสัยว่าท่านอาจจะเป็นเสือสมิงนั่นคือรอยเท้าของเสือใหญ่ที่ตรงมายัางต้นไม้ซึ่งเนนครูบาธรรมชัยพักอยู่และก็ปรากฏค่าว่าพระธุดงลึกลับนั่งอยู่แทน อย่างไรก็ดีค่ะแม้ท่านจะสำเร็จวิชาเสือสมิงถึงขั้นจําแลงแปลงกายได้จริงก็คงเป็นไปไม่ได้ที่ท่านจะอารวาสฆ่าบัวควายตายแล้วก็ฆ่าคนให้เป็นบาปเป็นกรรมอันหนักอาจเป็นไปได้นะคะว่ามีเสือจริงๆบุกรุกเข้ามาขบกัดบัวควายของชาวบ้านแล้วก็สังหารผ่อนชีวิตผู้คนบังเอิญมีผู้พบเห็นพระธุดงอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุก็เลยเหมาะนะคะว่าพระธุดงมีวิชาเสือสมิงก็เป็นได้ค่ะ ดังนั้นเรื่องของเสือสมิงจึงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถหาหลักฐานมายืนยันได้ร0อเปอร์เซนต นอกจากดีจะขอทิ้งให้คุณผู้ฟังทุกท่านนำเก็บไปคิดพิจารณาโดยตัวของท่านเองนะคะว่าเรื่องของเสือสมิงไม่ว่าจะเป็นเสือสมิงที่ไปกินคนแล้วก็มีวิญญาณผีตายหงในีเข้าไปสิงสู่อยู่หรือว่าจะเป็นเสือสมิงที่เกิดขึ้นโดยคุณสยด้วยมนคาถาเพื่อที่จะจำแรงแปลงกายว่าเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องเท็จอย่างไรก็สุดแท้แต่วิจารณญาณของคุณผู้ฟังแต่ละท่านด้วยค่ะ หมดเวลาของพระเจอผีแล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ